ขอความเจริญในธรรมจะมีได้ท่านพุกฟังทั้งหลายแต่โรวงพุธิยานได้นำเสนอเรื่องพู้เจ้าเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารมาถึงช่วงที่พระเจ้าพิมพิสารแสดงตนเป็นนุประสุขถึงพระรัตนาไกลตลอดชีวิตและกราบทูลและราตนาพระพุทธเจ้าพร้อมรพระส่งที่ตามเสด็จมาพันรูป หืออดีตปุราณชดินแต่ฉันได้เบวยในนิเวศเป็นธรรมเนียมการรับนิมนต์ของพระคือการนิ่งก็ เ, เรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงรับโดยดุจณีพระเจ้าพิมิสารก็ทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วก็เสด็จกลับไปจากนั้นก็รับสั่งให้ตกแต่ง คาธานยะโพชนิยะก็เรียกว่าของเกี่ยวของฉันนั้นประนีดโดยผ่านดัตรีนั้นแล้วจะดังงานไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถึงเวลาแล้วพระเจ้าก็เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุภูรานช ด, ดินก็โดยมัมานั่นแลเท่าส ก, กเทวราชได้เนรมิตตัวเองเป็นมนุษย์ สเสด็จดำเนินนำหน้าภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วก็พลางขับคาถาเหล่านี้ความบัาดังนี้พระพูมะพ้มีพระภาคมีพระชวีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีคือผิวเหลืองหลุดทองคำนะฮะก็เป็นการกล่าวถึงพระชวีวันของพระพุทธเจ้าว่าใครกระทองคำ เป็นทองซิงคีรูปร่างเป็นยังไงก็ไม่ทราบแหละต่เป็นทองซิงคีคีส่วนฝึกอินทรีย์แล้วคำว่าฝึกอินทรีย์ในที่นี้ก็คือว่าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของพระองค์ถรงฝึกมาเข้าถึงความสมบูรณ์อินทรีย์หนึ่งก็คืออายตนาภายในอายตนาภายนอกอเน้นที่อายตนะภายนอกนะครับ เน้นนีา ย, ยัตนภายในคือจากขนสี่โซตินสี่ชิวินสีกายิน4ีมันิน4ีก็คือตาหูจมกูกดินกายใจแล้วก็ทรงฝึกมาเป็นอย่างดีหมายความว่าคงพบเห็นสิ่งต่างๆอยู่ยิ่งสามัญชนเนื่องจากภายในประไทยของโปรงไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ยินดียินร้ายไปกับอารมณ์หล่านั้น คมโกรงจึงไม่มีความยินดีได้ด้วยแรงกระตุ้นของกิเลสคออือยุให้ยุก็ตามยุให้โกรธก็ตามเ อ, อยุให้รักก็ตามยุให้โกรธก็ตามเนยพระพุทธเจ้าก็จะไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นทรงพ้นพิเศษแล้วคือหมายความว่าทรงพ้นจากกิเลสและเพลิงทุกได้อย่างสมบูรณ์ สเสด็จประเวศสู่พระนคนรราชครึ่พร้อมด้วยปุราณอจดินทั้งหลายผู้ฝึกอินทรีย์แล้วผู้พ้นวิเศษแล้วเช่นเดียวกันแล้วข้อต่อไปก็บอกว่าพราะผู้มีพระภาคเมตตาจวีเสมอได้ลิ่มทองสิงคีสงพ้นแล้วสงพน้วงพนวิเศษแล้วสเสด็จประเวสสู่นครราชครึ่พร้อมด้วยปุราณอจัจดินทั้งหลายผู้พ้นแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วก็ยังเงี้ยสามครั้ง ว่าพระผู้มีราาพระพาธมีชวีพระเจวีดุดลิมทองสิงคีทรงข้ามแล้วทรงข้ามแล้วนี่ก็เปลี่ยนไปหน่อยหนึ่งนะฮะบอกว่าทรงฝึกอินทรีย์แล้วในช่วงที่สองบอกว่าทรงพ้นแล้วท่งพ้นวิเศษแล้วในช่วงที่สามนี่บอกว่าทรงข้ามแล้วคาว่าข้ามในที่นี้ก็คือข้ามสังสารทุกสังสารวัฏ คือการที่เป็นเหตุต้องเวียนว่ายตายเกิดตัวในตังสาลวันแล้วข้าววงน้ําคือกิเลสกิเลสที่เรียกเหมือนกับพ้วกน้ําเนี่ยคือกาโมคะข้ววงน้ําคือกามะโมคะข้ววงน้ําคือภ พ, อพที่โถคะข้ววงน้ําคือทิฏิวิชโชคะข้าววงน้ําคือวิชาแล้วก็สมเพลมิเศษแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะ เสด็จประเวศ ส, สูพนครราชคือพร้อมด้วยกุราณราชดินทั้งหลายผู้พ้นวิเศษแล้วแล้วก็รับสั่งต่อไปว่าพร ะ, พระผู้มีพระภาคมีพระจ้วีเสมอด้วยลิ่มทองสิงคีทรงทรงสมุกทรงสมุกจากอากุศลและบาปรธรรมในความหมายของคำว่ า, มมาละหังที่แปลว่าไกลนะฮะคือหมายความว่า แน่จะมีอารมณ์มากระทบเพียงเดียวกับสามัญชนแต่ทรงมีพยานอย่างรู้ถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเรียกวรู้ท่าทางตาความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเพาะนั้นพระใยของพระองค์จึงไม่แสดงอาการขึ้นๆลงๆการบรัตรเหล่านี้ที่จริงแล้วสามัญชนทั่วไปก็สามารถโดยเสด็จได้ระดับหนึ่งคือทํายังไงที่จะไม่ ให้อ่อนไว้ไปกับแรงของกิเลสแล้วก็แรงของอารมณ์มันก็มีทั้งสองอย่างแหละคือหมายความว่าถ้าเราชนะกิเลสได้อารมณ์ก็สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นเองตัวใหญ่มันก็อยู่ภายในใจของเราก็คือกิเลสภายในใจเนี่ยอารมณ์ภายนอกมันก็เป็นสักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นเองดีมันก็เท่านั้นแหละไม่ดีมันก็เท่านั้นแต่ว่าถ้าจิตใจเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ย มันก็เกิดความใครในอารมณ์ที่เราใครที่กล่าวโดยสรุปก็คือกำลังกระเทือนุ่มหลงโมมังที่ในชั้นของการครองชีวิตเนี่ยปราทำอย่างไรจึงจะพิจารณาแล้วเนี่ยถึงจะเสพของอย่างหนึ่งเขาว่าพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งก็คือการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี คือ ท, ทำยังไงอย่าให้เป็นธาตุของปัจเจ sĩ ปัจเจ sĩ ยังไงยังไงเราก็ต้องอาศัยนะฮะพระอรหันต์ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเองก็ต้องอาศัยปัจเจ sĩ แต่ว่าทํำยังไงว่ามันสักแต่ว่าปัจจจ sĩ เรียกว่าสําเร็จประโยชน์ในการใช้สอยบริโภคใช้สอยปั จ, จเจ sĩ เหล่านั้นที่ท่านใช้ก็มายินดีตามมีตามได้ มีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นถ้ามากเกินไปก็แจกแบกให้แก่คนอื่นถ้าพอที่จะอยู่ได้ก็ยังอัตภาพไปเป็นไปตามปัจจัยที่มีอยู่ได้แล้วก็เป็นอยู่ได้ประการต่อไปนั่นก็คือพิจารณาแล้วต้องอดกันมีหมายความเราโดยเสด็จนะฮะเราโดยเสด็จ รออายุคนบาดของพระพุทธเจ้าที่พยายามจะเป็นผู้พ้นแต่เราพ้นเด็กขาดเราคงพ้นได้ยากมันก็ต่อสู้กับ ก, กิเลสนี่เรียกว่ามันใช้สังสารวัตรเป็นเป็นทุนกันทีเดียวต่อสู้กับตลอดการยาวนานในสังสารวัตรเนี่ยเอาชนะสักข้อหนึ่งก็ยากแล้วแต่ถ้าเรายอมสยบไปหมดมันก็ลําบากเหมือนกันคืออยู่ในโลกยาก เราทำยังไงจึงจะสามารถอดกั้นอดทนต่ออารมณ์ที่มากระทบตามปกติอารมณ์ที่มากระทบนั้นก็จะออกมาในรูปของความวิปริแตแปรปรวนตามธรรมชาติธรรมดาทั้งหลายซึ่งถ้าพอเราทนไม่ได้มันก็อยู่ได้ยากแต่ถ้าเราทนได้มันก็ไม่มีปัญหาใดก็สามารถจะอยู่ในสังคมหลดนั้นได้ อีกอย่างหนึ่งเป็นทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเฉียดแทงของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยทำยังไงว่าปล่อยๆวางๆแคบ้างอย่าไปยึดไวมากเกินไปเพราะการจะป่วอยอยังไงมันก็เรื่องธรรมดานะ ถ้าเราไม่ตื่นเต้นกับมันมากนักมันก็สักแต่ว่าเจ็บสักแต่ว่าป่วยแต่นั้นเองเราก็สามารถที่จะครองชีวิตอยู่ได้หรือคงเจ็บคงป่วยแต่เราก็ถือว่ามันเป็นธรรมดาปยาที่ตมมโหสถยาถึงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แม้แต่ตายมันก็ธรรมดา มโนธรรมหิมีมโนนางนะนิติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่รวงพ้นความตายไปได้ความแก่แก่ก็ธรรมดาอีกแหละเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่รวงพ้นความแก่ไปได้ตัวการอดทนต่อเรื่องเหล่านี้แล้วทนต่อความเหลือยากในการบรวัติภารกิจการงานต่างๆ ซึ่งเรามีหน้าที่จะต้องจัดจะต้องทำจะต้องรับผิดชอบแย่มันมีเรื่องเยอะที่จะต้องเหนื่อยยากลำบากตากทำในกิจการงานเหล่านั้นปนัญหาใหญ่จริงๆเนี่ยมันกลับอยู่ที่อารมณ์หรือความรู้สึกภายในใจของเราเรียกว่ายินดียินได้ตัวอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกแล้วเนียวนึกตรึกนึกขึ้นมาจากข้างใน แล้วก็ตุ้นให้เกิดความยินดียินรายยินดีก็มีปัญหายินได้ก็มีปัญหาพอยินดีก็คลืนด้วยความรักมันก็ไขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมเอเีเพื่อเป็นเพื่อเป็นเจ้าข้าวเจ้าของครอบครองสิ่งเหล่านั้นดยความรู้สึกว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าหากว่าไม่เกิดยินดีคือไม่ชอบ มันเกิดยินได้ไม่ปรารถนาที่จะได้เห็นได้ยินได้สูดรมได้ลิฟได้จับจองสิ่งแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอดกา้นอดทนต่ออารมป์คืยาเอามาปรุงคิดคิดปรุงนะมันเกิดความยินดียินได้มากเกินไปเฉยเฉยเสียบังคือเรื่องอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยก็เฉยเฉยเสียบังปรารถนาคำขาดว่าเราไม่ก็เฉยที่บางทีก็เครียดจนกับเรื่องราวต่างๆ แล้วก็เป็นอาการกษษษษทางจิตประสาทกระทำอะไรโรดผลโจนทยานอย่างไรชอบกล น, นะเดี๋ยถ้าเราดูข่าวในะช่วงปีใหม่เนี่ยข่า ว, ข, าวข่าวไปเรื่มากชอบกลเป็นแสดงว่าจิตใจของคนนั้นขาดการควบคุมขาดการผุดปลือล่วงนาดแก่อารมณ์จนอาการกลายเป็นอาการที่ผิดปกติไป มีข่าวกราวที่น่าชื่นชมยินดีที่วิทยาลัยสองแห่งที่เด็กทะเลาะ ก, กันเที่ก็มาคิดมุ่งมากปรารถนาที่จะจับมือเป็นพวกเดียวกันคือคนเราถ้าทําให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันมันก็ไม่ทะเลาะ ก, กันแต่ถ้ารู้สึกเป็นเราเป็นเขาแล้วมันทะเลาะ ก, กันดัานั้เราจะเห็นว่าในแนวความรู้สึกยินดียินได้เนี่ย ถ้าเป็นพวกเดียวกับเราเนี่ยเราก็ไม่ค่อยยินได้ยินดีมันออกไปในรูปของไมตรีไม่ใช่ยินดีด้วยความโลภคือยินดีนั้นบางทีมันมุ่งตอบสนองความต้องการมันตนเองอันนี้ก็เกินเหนตุไปแล้วถ้ายินดีในแนวที่เป็นเมตตาเป็นความปรารถนาดีเป็นความมุ่งดีเป็นความเอ็นดูเป็นความสงสารมันก็ดีไปนะ ระบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยคงจะให้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซน์ก็ไม่ได้ครับแต่ว่าคือมองในแง่ของมีคุณธรรมภายในใจเสใชบ้างนี่ก็พิจารณาแล้วก็พยายามที่จะอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์ลดนั้นคือคงทําได้ไม่เต็มที่หรอกแต่ว่าทําได้เท่าที่ทําได้ลองอดกลั้นอดทนกันไว้บ้าง ถ้าวมมากแกลี่ยรวมอะไรรุนแรงเกินไปแล้วผลรุดท้ายมันมีแต่เสียกับเสียโอกาสที่จะได้มันน้อยเหลือเกินถึงจะได้ก็ไม่คุ้มกับเสียนะฮะวิปนาสําคัญว่าทํำยังไงย้ายขาดทุนโดยใช้ชีวิตยาขาดทุนไม่มีกําไรทั้งร้อยเปอร์เซ็นก็มีกำไรอยู่บ้างพออยู่ได้ประการต่อไปก็พิจนารณ์แล้วก็ เว้นนะฮะเว้นในที่นี้ก็คือเว้นบาปเว้นอกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเว้นทางเหตุได้เกิดอับอย า, า ก, กรรมกับเหตุได้เกิดอับอายามุกทั้งหลายเอาเอากันขนาดนี้ได้ก็บุญแล้วเว้นปัญหาอยากกรรมเว้นปัญาอบายามุกทั้งหลายนี่ไม่ต้องเอาวิจิตพิสดารมากสังค ม, มก็พะ อ, อยู่กันได้แหะ พอเราต่อสู้กับปัญหาสภาพแวดลอ้อมปัญหาธรรมชาติปัญหาหมนุษยพิษปัญหาอะไ ร, ต, รต่างๆมากมายกลายกองอยู่แล้วอยังจะไปเพิ่มปัญหาความรุนแรงให้แก่จิตใจของตนเองก็เป็นการซ้ําเติมตัวเองให้รุนแรงมากเกินไปอีกประการหนึ่งก็คือพยายามบรรเทาบรรเทาการเหนียวนึกตึกนึกจากข้างในเนี่ยฮะ คือสำคัญว่าอย่างที่โบราณท่านสอนว่าอยู่คนเดียวไว้ระวังความคิดอยู่ท่ามกลางมิตรแต่ระวังวิญจาการระวังความคิดนะ่เป็นเรื่องใหญ่ทำยังไงจะควบคุมความคิดไปได้ไม่ความคิดเหล่านั้นนะมันออกมาแรงเกิดไปออกมาทางกายมาจนถึงกับแรงเกินไปเป็นทุจริตทางกายทางวาญาณทางพยาบาทก็จนถึงทุจริต ทางเบียดเบียนก็ออกมาถึงทุจิดิตเนี่ยพยายามบรรเทาความรู้สึกอะเนี่ยเรื่องความใคร่เรื่องความปยาบาทเรื่องความเบียดเบียดแล้วพยายามจะคุมความคิดของเราให้อยู่ในคํานองครองธรรมบรรเทาอากุศลเพราะว่าปัญหาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสังคมเราปัจจุบันในทุกวันในะข่าวคราวที่จริงมันมันซ้ำซากนะ เพียงแต่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรกับใครเท่านั้นเองแต่ว่าเจตนาเป็นเดุและทำกรรมเนี่ยมันซ้ำๆทำอย่างนั้นทำแล้วทำอีกอยู่อย่างนั้นไม่ได้ค่อยํำนึกหลาบจำไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้แม่รู้อำนาจแกอารมณ์ร่มหน้าแกกิเลสมากเกินไป วันพระพุทธเจ้านั้นทรงข้ามได้นะฮะทรงข้ามได้แต่เราก็ไม่ข้ามได้หรอกแต่อย่างน้อยที่สุดก็อย่าลุกอานาจแก่อารมณ์แต่นั้นเองหมายความพิจารณาแล้วเสพของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วอดกั้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วเว้นของอย่างหนึ่งพิจารณาแล้วบรรเทาของอย่างหนึ่งสรุปแล้วก็คือว่า พิจนารณาแล้วบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่พิจนารณาแล้วถ้าไม่อดกั้นเอาไว้เนี่ยเรื่องมันจะแรงกอดกั้นเอาไว้ดีกว่าพิจนารณาดูแล้วถ้าไม่เว้นเนี่ยจะมีปัญหาก็เว้นไว้จะดีกว่าพิจนารณาแล้วถ้าไม่บรรเทาความรู้สึกไม่คิดเอาไว้ก็จะดึงปัญหามาสู่ตัวเองแล้วก็สู่ผวกค้องบริวารทั้งหลายแล้วก็พยายามบรรเทาความคิดเหล่านั้น ก็าจนั่นก็รับสามมืินเดิมนะฮะบอกว่าทรงพ้นวิเศษแล้วสเสด็จประเวทสู่พระนครราชกฤห์พร้อมด้วยปุราณชดินทั้งหลายผู้สงบแล้วผู้พ้นวิเศษแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีอริยวัฒธรรมสิประการเป็นเครื่องอยู่ทรงประกอบด้วยกําลังสิบสทรงธรรมคือคำบทสิบ พระทรงประกอบธรรทมอันเป็นองค์ของพระอาเศค่ะสิบประการมีภิกษุบริวารพันเนน่งเสด็จประเวศ ส, สู่พระนครราชครึค อ, องคธรรมเหล่านี้เป็นองค์ธรรมที่น่าศึกษาและคนจะหาโอกาสมาขยายขยายข้อความให้พิสดารในโอกาสต่อไปเพราะว่าอย่างอธิบายจะทมเนี่ย ธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของภริยะเป็นหลักการครองใจของภริยะหรือว่าทรมเป็นกำลังทศพลยานสิบประการเนี่ยที่แต่ละข้อเนี่ยที่จริงเราสามารถจะโดยเสด็จได้ระดับหนึ่งเรายังไม่หมาสิบห้าเปอร์เซ็นก็บุญแล้วนะสิบเปอร์เซ็นตสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็ได้บุญแล้วแองค์ของพระอัสสชิ0 นี่ก็เป็นธรรมะที่แม้จะเป็นเรื่องของปรเาเสขะแต่ก็มันเป็นความสมบูรณ์ระดับปรเาเสขะแต่ระดับสามัญชนก็สามารถสัมผัสได้ระดับที่ลดหลั่นกันลงมาได้เสมอประชาชนได้เห็นเท้าสกัดจอมถวยเทพและพากันกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อหนุนนี้มีรูปงามยิ่งนักน่าดูนักหน้าชมนัก เพรานมนี้ของใครเนาะเมื่อประชาชนกล่าวอย่างนี้แล้วเทาว้าสกัดจอมเทพผวยเทพได้ลกล่าวต่อประชาชนพวกนั้นด้วยกาถาดังนี้พระผู้มีประภาคพระองค์ใดเป็นนักปราศคือทรงรอบรู้ระดับสัพพัญญูนะฮะเป็นนักปราแถแห่งปราดทั้งหลายปราดเหนือปราดเพราะว่านักปราดทั้งหลายเนี่ตามปกติแล้วก็จะไม่หมดกิเลส เรีว่านักปราดในพระพุทธศาสนาที่เราเรียกว่าอย่างน้อยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้สงบเช่นเรียกว่าสัตบุรุษอย่างนี้ยเรียกว่านักปราดอย่างเนี้เรียกว่าบัณฑิตอย่างเนี้ยเรียกว่าวิญญูชนคือแต่ละอย่างเนี่ยแสดงเรงพัฒนาการในด้านปัญญาแล้วเมื่อปัญญาก็เกิดเนี่ยก็กลดมโมหะโลภะโทสะราคะลงไป แสดงว่านักปราชญ์ในความหมายของพระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีความรู้ดีด้วยแล้วก็ความประพฤติด้วยไม่ใช่ดีเฉพาะ อ, อย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องดีทั้งสองอย่างวันพระพุทธเจ้าก็สมสมบูรณ์ในวิชาคือความรู้จรณะคุอความประพฤติแล้วก็ทรงฝึกอินทรีย์ทั้งปวงแล้ว ฝึกอินทรีย์ก็อย่างที่บอกว่าฝึกศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาจนเป็นอัตโนมัติแล้วฝึกอยายตนาภายในเกิตาหุจจุลิงการใจที่มองสิ่งทั้งหลายอย่างรู้เท่าทันแบบอัตโนมัติเป็นผู้ไกลจากกิเลสและวาสนา สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าสิ่งดีก็มีไม่ดีก็มีนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกไม่ดีมันก็เกิดได้เหมือนกันคนคิดจองร่างจองผลาญเบียดเดียนบัตุส ร, รายพระพุทธเจ้าเล่าวหาให้รายไปสีสารพัดมันก็เกิดได้ทั้งนั้นเนะี่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าในแง่สังคมนี่ค่อนข้างยากนะฮะในแง่สังคมที่จริงค่อนข้างยาก เพราะว่าสังคมไปเชื่อเชื่อคนได้ง่ายๆอย่างนึกถึงวิธีการของพระพุทธเจ้าที่พยายามปกป้องพระสงฆ์ด้วยวิธีการต่างๆเนี่ชนวัานั่งในะที่รับตารับหูกับผู้หญิงสองต่อสองไม่ได้ต้องมีคนอื่นอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยคือสมมติว่าคนนั้นเขาไม่หวังดีเขาเกิดโจทย์อะไรขึ้นมาทำยังไงถ้าเกิดไปนั่งคนเดียว ทั้งคนในรับรู้ไปแล้วเชื่อไปตั้งเยอะแล้วนะทั้งที่ว่ามีคนมาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยวัน้นอย่างในสมัยที่นางกินจะมานาวิกาใส่ร้ายพระพุทธเจ้าขนาดคนฟังเทศอยู่แท้ๆนะฮะยังสับสนแต่พอดีที่ว่าผ่าคาดท้องมันหลุดลงมาแต่นั่นเอง มันเป็นประจับพยาใ้เห็นแต่คนเริ่มสงสัยแล้วคนบางพวกก็เริ่มสงสัยแล้วจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงเมื่อเกิดขึ้นแล้ววันปนัญหาสังคมเป็นปนัญหาที่น่าคิดมากคือถ้าเรามองตรงนี้ว่าอวิเนกุฎาเจ้าในอนุเคราะห์ต่อพระภิกษุจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะหวังดีหวังได้อะไรไ่เราไม่รู้เลยแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า ก็เสี่ยงนะเสี่ยงพอสมควรอย่านั่ง น, นึกสมมติฐานนะตั้งข้อสังเกตกันเลยสมมุติจะเป็นอย่างนั้นสมมติจะเป็นอย่างนั้นสมมติจะเป็นอย่างนั้ น, มม น, น, นทำยังไงเพราเราฟังข่าวคราวตามสื่อต่างๆได้มีการโจดท่วงพระเนี่ยเราฟังดูแล้วไม่เคมีเหตุผลนะแต่สังคมก็เชื่อไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้คิดตั้งความสมเหตุสมผลแต่สังคมยินดีที่จะเชื่อข่าวซึ่งเป็นความเลวร้ายของบุคคลอื่น เพราะว่ามันให้อาหารแก่วิหิงสาวิตกที่มีอยู่ภายในใจิตใจของบุคคลทั้งหลายแต่ถ้าคนนี้ก็ฝึกอินทรีมาดีเนี่ยก็ยจะมีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งนั้นหมายความว่าแม้จะมีศรัทธาก็มีปัญญาอยู่มีสติอยู่มีสมาธิอยู่มีความเพียรอยู่แต่มาที่จะควบคุมความรู้สึกนึกคิด ต่างๆให้อยู่ในร่องในรอยได้เป็นผู้ของแพรวหาบุคคลเปรียบไม่ได้คือบริสุทธิ์หมดจดที่ไม่มีใครเชียดได้เพราะว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ั้เหมือนกันในกรณีที่เรียกว่าละอาสวะกิเลสได้นะแต่ว่าพระอราหารันต์ละวาสนาไม่ได้พระพุทธเจ้าละได้นั่นก็คือความแตกต่างกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอราหารรันต์ทั้งหลาย แล้วก็ไกลาจากกิเลสนี้คือบทว่าอะรหังที่แปลว่าไกลาจากกิเลสน ะ, สะเสด็จไปดีแล้วในโลกเขาไปเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็กท้ากาเตวราชไปยังไม่แสดงพระองค์นะฮะคือประกาศตัวเป็นคนเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นผู้รับใช้รพระพุทธเจ้าเพื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้มีพระภาคยิ่งใหญ่อย่างสมบูรณ์ของพระผู้มีพระภาค ต้องฟังทั้งหลายใต้รบมระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไยบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี